เอ็ดวินกับข้าพเจ้ากําลังสนทนากันอยู่ที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งส่วนรูธกําลังง่วนอยู่กับการบรรเลงเพลงจากเปียโนอันโนปรดปรานของเธอเสียงดนตรีจากเปียโนดังกังวานเสียงวังเวงเมื่อบวกกับภูมิภาคอันประกอบไปด้วยทิวไม้อันเขียวชฉอุ้มเบื้องหน้าเราทําให้เกิดความสุขเยือกเย็นอย่างบอกไม่ถูกจริงๆแม้จะเป็นเวลาล่วงเลยมานานพอสมควรแล้วก็ตามแต่ก็ปรากฏว่า รูดยังคงไม่หายจากความตื่นเต้นยินดีในเครื่องเปียโนของเธอเท่าใดนักเธอกล่าวว่าเธอหลงไหลในเปียนโนทิปของเธออย่างสุดวัวใจจริงๆแม้ว่าเธอจะได้บรรเลงเพลงจากเปียโนทิปนี้มาหลายต่อหลายครั้งแล้วก็ตามแต่ทุกครั้งเธอก็ต้องได้รับความตื่นเต้นใจและสุขใจเหมือนเดิมในเมื่อเธอกดนิ้วลงไปบนคีย์และได้ยินเสียงอันหวานวางเวงดังสั่นพริ้วออกมา มันเป็นความไพรอะเยือกเย็ยนชนิดที่เธอไม่ได้นึกฝันมาก่อนเลยว่าเสียงเป็นโนทิฟจะมีอำนาจสะกดจิตใจและสั่นสะเทือนอารมณ์ของเธอได้ถึงขนาดนี้ความปีติปราโมทของเธออีกประการหนึ่งก็คือเธอรู้สึกว่าเธอมีความสามารถในการเบเนล่งเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกดูเหมือนจะสักร้อยเท่าของความสามารถของเธอเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ทั้งนี้เป็นเพราะความจริง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 จนเจ้าตัวเองก็เกือบจะไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ถึงเพียงนั้นนอกจากนั้นความสามารถของมันสมองในด้านความจำก็ยังเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นอย่างมากมายจนเธอสามารถขนา ด, ดูเหมือนว่าจะหลับตามองเห็นท่วงทํานองของเพลงนั้นๆได้อย่างทะลุปลุกโลงตั้งแต่ก่อนที่จะบรรเลงซสีอีกแต่ในขณะนั้นเสียงเพลงอันชื่อเจ้าของเธอก็หยุดลงโดยฉับพลัน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 เป็นผู้มีอารมณ์สนุกสนานเรื่อนเริงอย่างยิ่งเราได้ออกไปต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทั้งสองและเชิญเข้ามาในบ้านและหลังจากที่ได้สนทนากันครู่หนึ่งท่านชาวคันดีนก็แจ้งความประสงค์ที่มาหาข้าพเจ้าว่าท่านได้รับคําสั่งจากท่านผู้อยู่ในภูมิรงขึ้นไปให้มาและเชิญเราไปเยี่ยมเยียนท่านเราทั้งสามนิ่งอึ้งกันไปครู่หนึ่งในการที่ได้รับโชค และเกียรติอันไม่ได้นึกฝันมาก่อนท่านชาวคันดีนแสดงอาการขบขันในท่าทางของพวกเราจึงเอ่ยปากบอกว่าไม่ควรที่พวกเราจะต้องมีตกกังวลหรืออึดอัดอย่างไรในเรื่องนี้ปัญหาที่ว่าเหตุใดเราจึงได้รับเกียรติดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องที่จะทราบได้เองเมื่อไปถึงแล้วส่วนปัญหาที่ว่าเราจะไปถึงภูมิสูงนั้นได้อย่างไรก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องหนักใจ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 ตามความเห็นของข้าพเจ้ารู้สึกว่าท่านชาวคานดินผู้นี้น่าจะเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยร่าเริงกว่าผู้อื่นในโลกทิพนี้ที่เดียวในเรื่องนี้เป็นของแปลกอยู่อย่างหนึ่งว่าชาวโลกมนุษย์โดยมากมักจะชอบกะเกณให้ชาวโลกทิพเป็นผู้ยิ้มยากหรือยิ้มไม่เป็นไปเสียทั้งหมดข้าพเจ้าขอยืนยันว่าทัศนคติดังกล่าวนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่ง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 ข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าเราหรือท่านชาวคานดีนที่กล่าวมานั้นจะต้องพูดพร้อมกับหัวเราะร่วนเป็นไข่เค็มหรือเหมืนกัเป็นคนบ้าอยู่ตลอดเวลาข้าพเจ้าหมายความแต่เพียงว่าเราชาวโลกที่หัวเราะเป็นและหัวเราะ ก, กันไม่น้อยเหมือนกันเมื่อมีเหตุผลสมควรที่จะหัวเราะ ก, กันได้ต่อจากนั้นท่านชาวคานดีนก็บอกว่า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 แม้การที่เราเรียกท่านว่าเป็นผู้ปกครองหรือหัวหน้านี้ก็มิได้หมายความว่าท่านปกครองผู้อื่นแบบเจ้านายปกครองลูกน้องหรือค่าทาตตามความหมายในโลกมนุษย์เพราะว่าในโลกทิพนี้เราอยู่กันด้วยความรักและมิตรีเท่านั้นไม่มีใครจำต้องให้ความกลัวกันเลยขณะนี้เรากำลังเดินทางผ่านอาณาเขตที่อยู่ของเอ็ดวิน ซึ่งอยู่ชายแดนของภูมิสูงแล้วและกําลังมุ่งหน้าออกจากภูมิของตนเองเข้าสู่ภูมิสูงที่มีบรรยากาศเจือจางยิ่งขึ้นทุกทีหากไม่ได้มีการคุ้มกันเป็นพิเศษแล้วในไม่ช้าเราจะรู้สึกอึดอัดจนไม่สามารถจะเดินทางต่อไปได้เลยทั้งนี้เพราะว่าสภาวะของภูมิต่างกันก็ย่อมมีอัตรา ค, ความสั่นสะเทือนของช่วงคลื่นต่างกันดังนั้น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 ท่านวางมือซ้ายลงบนบาของเอ็ดวินและมือขวาวางบนบาของข้าพเจ้าและเนื่องจากท่านสวมเสื้อคลุมใหญ่ยอยู่ด้วยจึงเป็นเสมือนว่าเราทั้งสามอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของเสื้อคลุมนั้นเป็นอย่างดีท่านชาวคันดินได้บอกแกเราว่าการที่ท่านเอามือกลุ่มศีรษะเราอยู่ครู่หนึ่งนั้นนอกจากจะเป็นการปรับคลื่นตามปกติแล้วยังเป็นการช่วยให้ในตาของเรา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 รันแล้วท่านชาวขันดินก็ได้บอกให้เราทําจิตใจให้สงบและอยากขัดขืนโดยขอให้คิดว่าเป็นการเดินทางไปหาความสดชื่นและความสุขไม่เจ่าว่าเป็นการทดสอบความทนทานแต่อย่างใดเอาล้วนะเตรียมตัวได้เสียงท่านกล่าวขึ้นหนึ่งสองสามไปได้แล้วจับพลันเราก็รู้สึกพลายกับลอยขึ้นไป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 แลเกี่ยวประวัติกันไปมาอยู่เหนือผืนน้ําความงามของธรรมชาติเบื้องหน้าทาให้เราผู้มาใหมายทุกคนเกือบจะลืมหายใจเหมือนถูกมนต์สะกดไปชั่วขณะหนึ่งแล้วเราก็ต้องถอนหายใจและถอนสายตาจากทัศนียภาพเบื้องหน้าด้วยความเสียดายเมื่อท่านชาวคันดินและท่านชาวอียิปต์ได้เตือนขึ้นว่าเรามีเวลาที่จะอยู่ที่นี่ได้ไม่นานนักฉะนั้นจึงต้องรีบไปทําธุระ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 และที่ก่อสร้างด้วยไขยม่มุกก็มีเมื่อท่านชาวคันดินได้บอกว่าเราต้องรีบไปหาท่านผู้เป็นหัวหน้าของภูมินี้เราก็จำต้องหยุดยั้งการชมทัศนียภาพดังกล่าวด้วยความเสียดายเป็นอย่างยิ่งเราเดินขึ้นบันไดเข้าไปในตัวอาคารที่เห็นอยู่เบื้องหน้าและทั้งทั้งที่เราคิดว่ากำลังเดินไปบนบันไดหินแต่ความรู้สึกที่เท้าก็ทาใหเรารู้สึกเสมือนหนึ่งว่าเรากาลังเดินไปบนพรมกรรมยี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 ในที่นี้ก็น่าจะเป็นภูมิของกลุ่มที่ยังมีความยึดถือกลุ่มท่านที่ยังมีความเชื่อในเรื่องพระเจ้าเหมือนกันคําว่าภูมิมันสูงสุดในที่นี้ในความจริงยังมีสูงกว่านั้นซึ่งต้องย้ําไว้เสมอนะครับว่าการได้เกิดเป็นเทวดานั้นไม่ใช่ว่าจะรู้เห็นและรู้ทุกอย่างในเรื่องเกี่ยวกับโลกหลังความตายเรื่องที่ท่านกล่าวมานั้นเป็นเรื่องที่ท่านสัมผัสได้และรับรู้ได้ในขอบเขตความสามารถทางจิตของท่านเท่านั้น ต่างคำสอนในพระไตรปิฎกยังมีภูมิที่สูงกว่านี้เป็นชั้นพรมและอรูปภูมิมีอีกหลายชั้นจนถึงขั้นละเอียดที่เรียกว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่แต่ก็ยังคงมีอยู่และตามเรื่องนั้นเทวดาที่ไปเกิดในภูมิสูงและมีชีวิตยืนยาวมากได้เห็นการเกิดตายของสรรพสัตว์จึงเกิดมิจฉาทิฏฐิก็ใจผิดว่าเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งหรือไม่ก็เห็นไปว่าในสวรรค์นั้นเป็นความเที่ยงถาวรคงทน เรายัางไม่ถึงเวลาจุติคือเคลื่อนจากพบนั้นเรื่องพวกนี้มีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากต้องขอแทงเนื้อหานี้ไว้เพราะหากเกิดความเข้าใจผิดและเชื่อตามหนังสือนี้ไปทั้งหมดอาจเป็นมิจฉาทิฏฐิที่แก้ไขได้ยากมากนะครับเราผู้มาใหม่หยุดชะงักอยู่ครู่หนึ่งเราไม่ทราบว่าควรจะวางตัวอย่างไรดีในการเข้าพบท่านผู้ยิ่งใหญ่เห็นป่า น, นี้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 และบอกให้เราทำตัวเป็นกันเองโดยไม่ต้องเกรงใจจากการได้เห็นรูปร่างลักษณะของท่านโดยใกล้ชิดข้าพเจ้าได้สังเกตว่าท่านหัวหน้ามีลักษณะเป็นคนหนุ่มมากแต่ เ, เรื่องทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายถึงอายุ ต, ตามการเวลาแต่อย่างใดเพราะว่าความหนุ่มเป็นลนักษณะของรูปร่างภายนอกอันเป็นเครื่องหมายถึงคุณลักษณะภายในจิตใจอย่างแท้จริง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 ยังรู้สึกว่าท่านเป็นผู้มีความรอบรู้กว้างขวางและลึกซึง้งอย่างที่หาใครเทียบไม่ได้เลยทีเดียวบุคลิกลักษณะและท่าทางเป็นกันเองของท่านทำให้เรานับถือท่านยิ่งขึ้นในระหว่างการสนทนาท่านพูดกับเราอย่างสนุกสนานร่าเริงโดยได้ทักทายปราศัยกับทุกคนเป็นรายตัวซึ่งถามถึงความเป็นอยู่และการงานของเราอย่างเอาใจใส่และในที่สุด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 ภูมินี้ไม่ได้เป็นสิทธิขาดของผู้หนึ่งผู้ใดแต่ลำพังเลยแท้จริงเป็นวิสัยของทุกๆุกคนที่มีความเพียรเพียงพอที่จะพัฒนาจิตใจของเขาให้ประณีตขึ้นถึงขั้นนี้ได้เมื่อบุคคลสามารถทำได้ถึงขนาดนั้นแล้วก็ไม่มีอำนาจอะไรจะห้ามปรามหรือป้องกันมิให้เขาเข้าถึงภูมินี้ได้เลยจริงอยู่การทาความเพียรทางจิตดังกล่าว ต้องใช้เวลานานแสนนานแต่เราก็มีเวลานานแสนนานเป็นของเราและมีวิธีการและผู้ช่วยเหลือมากมายที่จะทำให้เราเข้าถึงภูมินี้ได้เสมอขอแต่ให้เราตั้งใจจริงเท่านั้นความจริงดังกล่าวนี้เป็นกฎธรรมชาติที่ง่ายๆเลอเกินและไม่มีจำกัดอยู่แต่เฉพาะศาสนาใดๆเลยคือบุคคลผู้นับถือศาสนาใดๆก็มีสิทธิที่จะกระทาได้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 โดยท่านก็ได้ตามมาส่งเราด้วยถึงภายนอกอาคารและในที่สุดก็มาถึงจุดที่เราจะต้องจากกันแน่นอนเหลือเกินความอาลัยประกอบกับความซาบซึ้งในความการุณาของท่านหัวหน้าทําให้เรารู้สึกตื่นตันยางบอกไม่ถูกเราคิดว่าเราช่างเป็นผู้มีโชคดีอย่างเหลือเกินที่ได้มาเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ด้วยตาของตนเองและได้ทราบความจริงอันยิ่งใหญ่ดังกล่าวมาแล้ว ท่านหัวหน้าได้ให้พรขอให้เราทุกคนมีความสุขและขอให้เดินทางกลับด้วยความสุขเช่นเดียวกันในชั่วพคลิปตานั่นเองเราก็รู้สึกตัวว่าได้กลับมาสู่ภูมิของตอนเองอีกครั้งหนึ่งท่านทั้งหลายข้าพเจ้าได้กล่าวมันอย่างยืดยาวพอสมควรแล้วทั้งนี้ก็เพื่อให้ท่านเห็นประจักษ์ความจริงว่าโลกทิพนั้นมีอยู่จริงเพียงใด ว่ากรรมของบุคคลที่ทำไว้นั้นย่อมไม่เสื่อมสูญว่าชีวิตในโลกมนุษย์เป็นของน้อยนิดเดียวเมื่อเทียบกับความเป็นอยู่ในโลกทิพย์ทั้งในภูมิสุขคติและในภูมิที่เรียกว่าอบายหรือนรกและขอให้ท่านระลึกถึงความจริงอันสาคัญอีกประการหนึ่งว่าคนเรานั้นเมื่อก่อนตายมีสภาวะแห่งจิตใจเป็นอย่างไรแม้มือตายไปแล้ว